พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าคิดส่งสายไปตามอารมณ์ต่างๆตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละเป็นเบื้องต้น ของการสำรวมจิตถ้าไม่จับลมหายใจแล้วมันจะไม่หยุดคิดนั่นนั้นผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้เองแหละผู้ใดรู้เองแล้วมันก็ไม่ลำบากเมืนั้นการภาวนานะก็นั่งเรียบร้อยลงไปแล้วก็ตั้งสติ กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปต่อจากนั้นก็อธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนเอทำอยังไงเราทำอะไรในพุทธศาสนานี้ก็ขอให้นึ ก, กว่าเราทำ เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเดี๋ยวเราทำอุทิศ ต, ต่อคุณแก้วสามประการนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นหมายความว่าเราทำความเพียรละกิเลสตัณหาเนี่ยเราก็ อุทิศชีวิตนี้ต่อคุณพระรตนกลถ้ า, ากว่าเราไม่นึกอย่างนี้แล้วมันท้อถอยถ้าเราสละชีวิตนี้ลงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไปแล้วมันก็กล้าหาญกว่านี้นะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้กล้าหาญชานชัยมีใจเด็ดเดียวมาตั้งแต่ตอนเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่พระองค์ก็มีใจเด็ดเดียวจึงสามารถสร้างพระบารมีให้เต็มบริบูรณ์ได้ ถ้าใจอ่อนแอแล้วทำอะไรก็ไม่สำเร็จดังนั้นจงพยายามฝึกใจของตนให้มันเข้มแข็งอย่าให้ใจมันอ่อนแอจะมัวแต่กลัวทุกข์กลัวตายอะไรอยู่อย่างนี้มันก็ทำความดีให้เด็ดเดี่ยวไปไม่ได้ เพราะการฝึ ก, กจิตนี่เราฝึกเบื้องต้นนะเพื่อให้มันสงบลงเป็นหนึ่งมันนี่จิตนี่มันชอบคิดเลื่อนลอยไปทำอารมณ์ต่างๆเป็นพื้นมาอยู่แล้วแล้วเราจะมากำหนดมันให้มันหยุดนิ่งอยู่โดยลำพังอย่างนี้นะมันก็ แสนยากมันก็ไม่อยากหยุดนิกงเนี่ยเพราะมันชินมันเคยเท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆของโลกอันเนี้ยท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างวัวหรือควายตัวใดถ้ามันเคยลงไปกินข้าวนา แห่งใดแล้วถ้าว่ามันหลุดจักเชือกไปมันก็มักจะกลงไปหากินข้าวในนาแห่งนั้นแหละเพราะมันเคยไปอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยจิตนี่มันเคยคิดถึงสิ่งใดมันเคยผูกพันกับเรื่องอะไรไว้แต่ในอดีตมา มันก็ชอบอยากจะนึกไปถึงเรื่องนั้นแหละไปวิตกเวจารณ์อยู่ในเรื่องนั้นมันก็เลยสงบลงไม่ได้เรื่องมันนะดังนั้นนะเราจึงพยายามเอาสตินี่เหมือนกับเชือกผูกกัวผูกควายนั่นนะกับหลักกับตอไว้เมื่อเชือกมันเหนียวมันมั่นควายมันจะ ดันไปยังไงมันก็ไม่ขาดมันก็อยู่กับบริเวณนั่นแหละวัเนี้ยไม่ไปไกลได้อันนี้ชันใดก็อย่างนั้นเลยเราสตินี่เป็นเชือกผูกกิจนี่ไว้การเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกก่อหมายความว่าเราฝึกสตินั่นเองนะ ฝึกสติให้มันระลึกเข้าไปหาดวงจิตนั่นอย่าให้มันระลึกไปข้างนอกความหมายนะ่ะให้เข้าใจดังนั้นการเพ่งลมหายใจเข้าออกจึงเชื่อว่าเป็นทางที่รวบลัดในการปฏิบัติทาง จ, จิตใจ ทำใจให้สงบได้เร็วแล้วก็ถูกกับจริตของบุคคลทั่วๆไปไม่เลือกเลยกรรมฐานข้อนี้นะถ้าใครไม่เจริญกรรมฐานข้อนี้แล้วก็คงจะทำจิตให้สงบไม่ได้หรอกเมื่อ กำหนดกรรมฐานข้อนี้ชำนิชำนาญแล้วอย่างนี้เราจะเจริญกรรมฐานอื่นก็ได้ไม่ขัดข้องเลยเป็นอย่างว่าเมื่อเพ่งลมหายใจเข้าออกจิตใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันได้แล้วจะเพ่งดูอัตภาพร่างกายอันนี้มันก็เห็นได้ชัดแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นมันก็เพ่งได้ เพราะว่าจิตมันไม่ได้คิดส่งออกไปข้างนอกมันรวมกาลังอยู่ภายในนี่จิตนี่ถ้าหากว่ามันรวมตัวอยู่ภายในนี่ได้มันผ่องใสกระแสจิตก็ผ่องใสพอเรานึ ก, กว่าจะดูอัตภาพร่างกายอันนี้มันก็เห็นจะนึกดู ก, กระดูกก็เห็นกระดูกจะนุก จะนึกดูเนื้อเลือดหมอตับไตไส้พุงอะไรต่ออะไรก็มูนี่กันมันก็เห็นเนี่ยมันก็เห็นแหละเพราะว่าทุกคนก็เคยเห็นเขาชำแหละเนื้ อ, อวัวควายที่เขาฆ่าหมูนั้นหรือว่าเนื้อเป็ดเนื้อไก่อะไรหมูนั้น มันก็มีไส้มีตับมีปอดมีเลือดมีเนื้อมีกระดูกอะไรพวกนี้มันมีอย่างนั้นแหะร่างกายของมนุษย์เรามันก็มีเหมือนกันเน่ยต่างแต่ว่ารูปลักษณะผิดแผกกันไปเท่านั้นแหละเนเเื่องมาแต่บุญกรรมมันตกแต่งเ่งดูแล้ว จะเห็นได้ว่าร่างกายอันนี้มันก็เป็นแต่สภาววัฏฏะทเท่านั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างอื่นไม่มีเช่นผมขนเล็บฟันอย่างนี้มันก็เป็นธาตุดินเช่นดีสะเลน้องเลือดเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นธาตุน้ำทีนี้ร่างกายนี้มันจะไม่เน่า มันจะไม่ผุพองขึ้นมาก็เพราะอาศัยธาตุไฟบำรุงไว้ธาตุไฟให้ความอบอุ่นไว้ร่างกายนี้ก็จึงสดชื่นอยู่ได้นี่จึงเป็นปกติอยู่ได้ธาตุไฟนั่นเหมือนก็มีหน้าที่ทํา ความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนี่ไม่ให้เย็นเกินไปไม่ให้ร้อนเกินไปอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าว่าธาตุไฟนี่มันมันวิบัติลงเมื่อมันวิบัติแล้วมันมันร้อนเกินไปอย่างนี้มันก็ทำให้ร่างกายนี่ร้อนกระวนกระวายจับไข้ขึ้น หมอเขาวัดประรอดดูแล้วก็ความร้อนมันขึ้นสูงผิดปกติไปนั่นแสดงว่าถาดไฟมันร้อนมากร่างกายคนเราจะทุดโทมลงไปนี่เพราะอาศัยถัดไฟกล้องหนึ่งมันทำให้ร่างกายนี่ทุดโมชรลาภาพลงไปมานี่ เมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วมันย่อยไปเลี้ยงร่างกายนั่นก็บพราธาตุไฟอีกกลองนึงมีหน้าที่ย่อยอาหารไปเลี้ยงร่างกายอันนี้มานี้การที่เราจะเดินเหินไปมาทางไหนได้ก็อ า, าศัยธาตุลมนั่นเ การที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ได้ก็อาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกมันช่วยประคองชีวิตีให้เป็นอยู่ได้ถ้าลมหายใจเข้าออกนีหยุดลงเมื่อใดก็เป็นอันว่าตายกันเมื่อนั้นหรือว่าถ้าลมกองใดกองหนึ่งในหกองนั่นนะ มันเสื่อมสมรรถภาพลงไปแล้วมันก็วิบัติลงแหละร่รางกายอันนี้นะอลมพัดขึ้นเบื้องบนมันแรงมากเกินประมาณมันก็ทำให้เป็นหน้ามืดตาลายไปอย่างนี้แหละลมพัดตรงเบื้องต่ำมันแรงมากเกินไป มันก็ทำให้เกิดท้องร่วงขึ้นลมในท้องมากมันก็ทำให้เกิดท้องอืดท้องเฟอ้อขึ้นมาลมในไส้มากเหมือนกันเนี่อทำให้ท้องอืดทำให้ปวดท้อง ถ้าลมนี่ที่พัดไปตามตัวเนี่มันอ่อนแอลงคนเรานั้นก็อ่อนเพลียลงไปเดินเหินอะไรก็ไม่แข็งแรงการที่เราจะเดินไปเดินมาทางไหนได้คล่องแคล่วดีก็เพราะอาศัยลมกองนี่นลมที่พัดไปตามตัวนี่ mm hmm. ก็เพ่งพิจารณาดู ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหล่านี้ที่นาลงให้เห็นเป็นธาตุลงไปตามสภาพความจริงของมันแท้จริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ไม่ใช่มันเป็นอย่างอื่นนี่แต่แต่ว่าธาตุทั้งสี่นี่แหละอาศัยบุญ อาศัยบุญกรรมนำมาตกแต่งให้มันจึงได้เกิดเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆเช่นเป็นผมบ้างเป็นขนบ้างเป็นเล็บบ้างเป็นฟันบ้างเป็นหนังบ้างเป็นอวัยวะอื่นๆบ้างโมนีเรียก ว, ว่าอำนาจของบุญมันตกแต่งให้แต่บุญนั้นมันก็เชื่ออยู่ด้วยกิเลส ทันหาอุปาทานเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยมันนำดวงกิจที่มาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาแล้วก็อาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนมันมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้ดังกล่าวมานั้น วันนี้แต่ชาติก่อนน่นน่ะคนเรามันทำทั้งบุญทั้งบาปมาคราวนี้ไม่ใช่แต่บุญอย่างเดียวละมาแต่งร่างกายนี้ให้บาปมันก็มาแต่งหา น, นี่ น, นั่นแหละหาผู้ใดเป็นคนชอบขี่โกรธชอบยกโทษติเตียนผู้อื่นชอบอิจชา้าลิสยาผู้อื่นอย่างเนี้ย ทำหน้าเบึง่งหน้าตึงใจผู้อื่นเป็นนิสัยติดมากรรมนั้นมันก็ตามมาตกแต่งให้มีอวัยวะร่างกายไม่สวยไม่งามทั้งคล้ำทั้งดำแล้วก็กิริยาท่าทางก็ไม่สุภาพเรียบร้อยผิวพรรณวันนะก็ไม่ผ่องใส หน้าตาก็บูดบูดบึงไม่ค่อยมียิ้มเย้มต่อใครดะใครเพราะว่ามันเคยฝึกตนมาอย่างนั้นต่ชาติก่อนโน่นเนี่ย น, น, นี้ผู้ใดได้ฝึกตนมาแต่ก่อนโน่นฝึกตนเป็นคนควบคุมจิตใจของตนให้ได้ไม่ให้มันโกรธง่าย เรื่องไม่ดีไม่งามอะไรกระทบกระทั่งมาก็อดกั้นทนทานเอาได้ไม่แสดงออกทางกายวาจาดังกล่าวมานั้นเป็นผู้ไม่ชอบอิจาราชิยาผู้อื่นให้นึกถึงบุญถึงกรรมของใครของมันก็ใครทำกรรมอะไรก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมมา น, นั้นแหละ ไม่ต้องไปมาวิตกเกวิจารณว่าคนนั้นดีอย่างนี้คนนี้ชั่วยอย่างนั้นคนนั้นน่าเกลียดน่าชังคนนั้นน่ารักอะไรอย่างนี้ยไม่ไม่ต้องไปวิตกเกวิจาร์ถึงเรื่องของคนอื่นมาปรับปรุงเรื่องของตัวเองให้มันดีวันดีคืนไป ทำยังไงตนจะดีทำในจิตใจนี้มันจะดีก็พยายามปรับปรุงเข้าไปผู <c oughs> ้ดใดฝึกตนให้ดีดังกล่าวมานี่แต่ชาติก่อนนน่นเกิดมาชาตินี้ก็มีรูปร่างสวยงามบุญกรรมมันมาแต่งให้มีผิวพันุ์ผุดพอง <c oughs> มีหน้าตายิ้มเย้มแจ่มใสดีไม่บูดบึง้งอันนี้ที่ให้เห็นว่าร่างกายอันนี้เนะี่ยมันเกิดมาในโลกอันนี้มันมันมีเหตุปัจจัยคือบุญและบาปติดตามมาตกแต่งให้ไม่ใช่ว่าสิ่งจักผิดใดๆในสากลโลกมาตกแต่งให้ ดังที่บางลัทธิที่เขาสอนกันโมนั้นแต่ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ้แจ้งแทงตลอดเลยว่ารูปร่างกายอันนี้มันเกิดมาจากอวิชชาตัณหากรรมอาหารไม่ใช่อย่างอื่นใด นี่ปัจจัยของชีวิตนี่นะอวิชชาความไม่รู้เริ่มแรกจิตนี้มันไม่มีปัญญาอะไรมันไม่รู้มันก็ยึดนั่นถือนี้เข้าไปก็เลยกลายเป็นตัวกรรมกรรมนั่นก็เลยนำจิตนี้ให้เกิดทีแรกก็เกิดเป็นสัตว์เล็กๆซะก่อน นานไปนานไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ขึ้นโดยลำดับไปจนถึงเป็นช้างก็มีอย่างนี้แหละนานเข้าอินทรีย์แก่กล้าสัตว์ตีไรฉานต่างๆมันได้ใกล้คิดกับคนคนฝึกปรือมันเข้าไปมันก็ยินดีกับคนเข้าไป ค่าที่จิตใจผูกพันอยู่กับคนเอา้าตายแล้วก็มาเกิดกับคนอีกแบบนี้นะนั่นไก็เลยเป็นคนมาที่แรกก็เป็นคนไม่ค่อยมีสติปัญญาเนี่ยเป็นคนอ่อนแอทางปัญญาโดยอาศัยการฝึกฝนจาก ผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายเข้าไปผู้รู้ผู้ฉลาดแนะนําสั่งสอนเข้าไปเหมือนอย่างคนเกิดมาในโลกทุกวันนี้แหละหรือว่าสมัยใดก็ตามแหละมารดาบิดาจะต้องส่งให้ไปศึกษาลเรียนในสํานักครูอาจารย์ที่มีวิชาความรู้แม้ทุกวันี้ทางรัฐบาลก็ต้อง ออกกฎหมายบังคับให้คนไทยที่เกิดมาแล้วนั้นอายุเข้าเกณฑ์แล้วให้บังคับให้ไปเรียนภาษาวิชาความรู้ของชาติให้ได้อย่างนี้นหละคนเรามันถึงได้มีสติมีปัญญาขึ้นมาโดยลำดับ เ, ออเมื่อเมื่อ เรียนความรู้ในทางธรรมแล้วก็ยังไม่พอวะนี้นะพอได้มาพบนักปราชถนบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาเข้าก็ได้เรียนได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปก็จะในเกิดความรู้ความฉลาดในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์มูนี่ก็จึงรู้มาได้ นี่แหลชีวิตของคนเรานะมันเป็นมาอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่ามันเจริญมาแต่เบื้องต้นแล้วไม่ใชม่มันค่อยเจริญมาโดยลำดับอาศัยเวลานา น, านว่านะแต่เราเอามาพูดกันนี่เหมือนกับว่ามันเร็วเร็วอืม ไม่ใช่มันนานหลายกับหลายคันทีเดียวชีวิตของคนเรานี่กลัวว่ามันจะเจริญมาได้จะได้มาฟังคำสอนของโอ้แต่เจ้ารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ได้ดีนี่โอ้ไม่ง่ายนักทบทวนดูให้ดีต้องผ่านการกระทบกระทั่งผ่าน กับความทุกข์ยากลำบากนานาประการมาในสงสารนี่ขนานานับชาติไม่ทวนเลยทีเดียวกลัวว่าแต่ละคนเนี่ยจะ พ, พัฒนาชีวิตของตนให้ก้าวหน้ามาได้จนได้มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนมาแล้วก็มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ แถมก็ยังมีสติมีปัญญาเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถรู้ความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อันพระพุทธเจ้านั้นจุดบุ่งหมายที่พระองค์ทรงแสดงธรรมนนะเพื่อจะให้พุทธบริษัทได้รู้ความจริงของชีวิตนี่ตามเป็นจริงไม่ใช่อย่างอื่นใด เช่นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นนะทรงยกความทุกข์ขึ้นก่อนหมายความว่าทรงชี้ว่าชีวิตคือความเกิดขึ้นมาเป็นคนนี่นะมันเป็นทุกข์ทรงชี้ให้ผู้ฟังทั้งหลายได้มีสติสัมปชัญญะ ควนกระแสจิตเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี่ว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์อย่างไรมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันก็ชำรุดสุดโทรมไปทีแรกมันก็จเจริญขึ้นนั่นแหละพอไปถึงวัยกลางคนแล้วมันก็เริ่มชำรุดสุดโทรมลงไปร่างกายอันนี้นะ นั่นแหละมันถึงได้เป็นทุกข์เพราะความแก่ความชราคลาคานอกจากเป็นทุกข์เพราะความแก่แล้วก็เป็นทุกข์เพราะการแสวงหาอาหารแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นมาบำรุงเลี้ยงมันอยู่อย่างนี้ถึงจะบำรุงเลี้ยงเท่าไรมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้ ถึงเวลามันสุดโทมไปมันก็สุดโทมลงไปนี่แหละสาเหตุที่ว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์นั่นนะเวลามันสุดโทมเต็มที่รู้ว่าร่างกายนี้มันจะแตกจะดับอะไรอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่บุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงเนยะกลัวตายแล้วก็ไม่อยากตายไม่อยากพัด ปราดจากของรักของชอบใจต่งตางๆในโลกนี้ไปก็ยิ่งเป็นทุกข์เมื่อ น, นึกถึงของรักของชอบใจมาแล้วนะอนี่แหละศาสตรความเกิดเป็นทุกข์เพระพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้มาพิจารณาอัตภาพร่างกายให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้อื แล้วก็ให้ถวนพิจารณาใจอีกทีแบบนี้นะเมื่อเห็นแจ้งในร่างกายตามเป็นจริงเนะี่ยใจนี่ทำไมมันจึงเป็นทุกข์ทำไมจึงดิ้นรนเดือดร้อนทรงตัดว่าพ่อตัณหาเพราะว่าใจนี่มันสะสมตัณหามาแต่อนเนกชาตโน่นไม่รู้ว่ากี่ชาติกีภพ มันก็อาศัยตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องนำทางให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างเลยเกิดเป็นกรรมดีกรรมชั่วขึ้นมากรรมดีกรรมชั่วนันก็นาดวงกิจนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เรื่องมนะันอะถ้าหากว่าไปหลงทำชั่วเข้าไปทำบาปเข้าไปบาป กรรมก็ น, นําจิตนี้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เปรตบ้างเป็นสัตว์อสุรกายบ้างเป็นสัตว์เทไรฉ า, านบ้างก็ได้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่กับร่างกายอันนี้อแสนลําบากลําบนถ้ า, าว่าจิต ด, ดวงใดเกิดมาแล้วได้คบหาสมาคมกับนักปราช นักปราชญ์ท่านแนะนำให้ละกรรมมันชั่วให้ทำกรรมมันดีอย่างนี้เข้าไปมันก็ละชั่วทำดีไปมา น, นี้กรรมดีมันก็เลยนำดวงกิจนี้ไปเกิดในที่ดีที่เกิดที่มีความสุขก็คือสวรรค์หกชั้นและพรหมโลก แล้วที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันเป็นกลางกลางอันนี้นะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างชีวิตที่เป็นอยู่ความเป็นอยู่ของมนุษย์นี่นะแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะว่ามันมีแก่มีเจ็บมีตายเหตุนั้นถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละนี่ดวงจิตนี่นะ มันอาศัยตัณหาครอบงำให้เกิดความอยากอยากให้มีชีวิตเป็นอยู่ยั่งยืนนานอยากให้มีอัตภาพร่างกายสวยงามอะไรต่ออะไรโมนี้นะก็ควานควายหาอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งโอนี้ เมื่อมันมีความอยากได้รูปเป็นต้นเหล่านี้มาชมเชยแล้วมันก็แสวงหากันเมื่อไปแสวงหาในตัวทางสุดจริตไม่ได้ก็แสวงหาเอาในทางทุจริตอันนี้แหละที่ว่าจิตใจมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นนะก็เพราะตัณหาเนี่ยบุคคลไม่เห็นทอดแห่งตัณหาไม่พยายามละตัณหา มันก็หาไปเรื่อยแบบนี้นะไม่หยุดไม่ยั้งเลยจิตนี้ถึงได้เป็นทุกข์เดือดรออ้อนนั่นแหละผู้ใดมาได้ฟังคําสอนของพุะธเจ้ารย์เราเห็นโทษแห่งความอยากในหัวใจอันนี้แล้วก็มาตัดทอนความอยากอันนี้ลงแบบนี้นะถ้าตนละทีเดียวยังไม่ขาดก็พยายามละตัณหาอันมันอยากไปทําบาป เช่นมันอยากฆ่าสัตว์อยากรักทรัพย์อยากประพฤติผิดในการอยากกล่าวมุสาวาทอยากดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอี น, นของเสพติดได้โทษต่างๆหมนเนี่งดไม่อยากมันเลยวะนี้ถ้าไม่อยากทำชั่วทั้งห้าประการนี้แล้วละความอยากประเภทนี้ได้แล้ว ความอยากอันจะเป็นเหตุให้ไปตกนรกอบายภูมินี้มันก็ไม่มีแบบนี้นะบุคคลผู้นัน้นจิตของผู้นั้นก็ไม่ได้ไปทนทุกข์อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นเนี่ยเรียกว่าดับทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นได้ตายแล้วก็ไม่ได้ไปตกนรกอย่างที่ว่านั่นนะ ก็ยังเหลือตันหาที่มันทำให้ท่องเที่ยวไปในสงสารแบบนี้นะไปให้เกิดสวรรค์บ้างเกิดพรหมโรกบ้าง อ, อย่างนี่แหละเรา ม, มาเกิดเป็นมนุษย์นี่บ้างเมื่อมันเหลือตันหาประเภทนี้เราก็มาพิจารณามันหละแบบนี้น ะ, ะทำไมจึงมาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ ที่มันอยากมาเกิดก็เพราะมันหลงนั่นแหละมันสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นของเราเป็นของสวยของงามเช่นนี้เมื่อมันหลงสำคัญาเป็นของเราแล้วมันก็ยึดถือเอาไว้เอาสร้างบุญกุศลอะไรก็ให้ได้เกิดมาเป็นคนให้ได้มีรูปสวยรูปงาม มีทรัพสมบัติมีอายุยืนยาวนานมีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่ออะไรโมนี้นะนี่ก็มาละตัณหาประเภทเหล่านี้เสียนั่นไงอาศัยร่างกายอันนี้เพื่อประกรอบกุศลบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีไปเพื่อละความโลกความโกรธความหลงไปเท่านั้นแหละ ไม่ไม่ใช่ว่าเราอาศัยร่างกายอันนี้ด้วยด้วยอํานาจแห่งอวิชชาตันหาเนี่แหละเมื่อบุคคลใดมาได้ฟังคําสอนของพุทธเจ้าแล้วก็นึกว่าเราอาศัยร่างกายนี้สั่งสมบุญกุศลก็แล้วกันเพราะร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราเรายังปลงมันไม่ได้แต่ก่อนมายังยึดถือมันอยู่ เดตุนั้นมันถึงได้มาอาศัยเกิดกับร่างกายอันนี้อีกอเมื่อมันได้หลงมาเกิดกับมันแล้วก็อาศัยมันนี่แหละสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มเติมของเก่าให้มากขึ้นไปโดยลําดับบุญกุศลมากขึ้นไปเท่าไหรตัณหามันก็น้อยลงไปเท่านั้นเนี่ยเหมือนอย่างคนเรารับประทานอาหารนี่นะ เมื่อรับประทานไปมากเข้าไปมากเข้าไปแล้วความอิม่มความหิวมันก็เบาลงเบาลงนะความอิ่มมันก็เพิ่มขึ้นแบบ น, นี้นะเพราะว่ารับประทานไปมันเต็มกระเพาะแล้วมันอิม่มแบบนี้นะเมื่อมันอิ่มแล้วไอ้ความที่ว่าหิวอาหารมันก็ระงับไปหมดเลยอันนี้ฉันได้ก็อย่างนั้นเลยเมื่อบคุคคลสั่งสมบุญกุศล มากไปเท่าไรความสุขทางจิตใจของคนนั้นก็มีมากขึ้นเท่านั้นเมื่อสั่งสมบุญกุศล ม, มากเข้าไปมากเข้าไปความสุขมันก็มากขึ้นเมื่อมีความสุขมากเท่าไดความอิ่มมันก็มากไปเท่านั้นเลยฮะนี้เพราะจิตเนี่ยมันดิ้นรนไปในสงสารนี่มันก็ดิ้นรนเพื่อเพื่อความสุขนั่นแหละเพื่อความสงบไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนี้ ทีนี้ตามธรรมดาจิตที่มันถูกอวิชชาตันหาครอบงํานี่มันไม่สงบอ่ะมันวุ่นวายมันรีนรนมันร้อนไม่เย็นแบบนี้เมื่อมันถูกกีฬลแบบนี้เผากระมันก็ดิ่งอยากจะหาที่สงบที่มีความสุขที่มีความเย็นอเมื่อดิ้นไปไม่ถูกทางมันก็ยังติดหนักเข้าไปเรื่อยๆ นั่นให้พิจารณาดูถ้าผู้ใดดิ้นถูกทางก็อย่างว่ามาแล้วนั่นเนี่ยก็ต้องมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างภาวนาบ้างฟังธรรมบ้างศึกษาไต่ถามข้ออัดข้อทำกับท่านผู้รู้บ้าง อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นให้ทานก็หมายความว่าเป็นผู้มันขยันประกอบการงานต่างๆเช่นทำนาบ้างทำสวนบ้างทำการค้าขายบ้างทำราชการงานเมืองบ้างฝึกขนเป็นช่างต่างๆเช่น ข้างก่อสร้างบ้านอาคารบ้านเรือนเป็นต้นผู้ใดชอบใจในวิชาขแขนงใดแล้วก็ศึกษาแล้วเรียนวิชาขแขนงนั้นให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ต่อจากนั้นก็ประกอบการงานอนั้นให้เกิดดอกออกผลขึ้นมาได้เงินได้ทอง ได้สร้างบ้านอาคารที่อยู่ที่อาศัยเป็นหลักเป็นแรงแล้วฉชนี้มันก็มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลอะไรแบบนี้นะเมื่อมีเงินทองเข้าของมาทำบุญให้ทานอะไรก็ได้รักษาศีลก็ได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาก็ได้ในเดือดร้อนในครอบครัว นี่การที่คนเราจะได้มาทําบุญทําทานจะได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีล น, นี่มันก็ต้องเริ่มมันขยันในหน้าที่การงานดังกล่าวานั้นเสียก่อนถ้าว่าผูใ้ใดไม่ฝึกตนให้มันขยันในหน้าที่การงานมาแต่นุ่มแต่น้อยแล้วก็ตั้งตัวให้เป็นฝั่งเป็นฝาไม่ได้ เมาแต่ยากจนคนแค่นไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลเลยก็เลยกลายเป็นคนยากจนคนแค่นทั้งทรัพย์ภายนอกทั้งทรัพย์ภายในไปทรัพย์ภายในคือบุญกุศลก็ไม่ได้ทำไม่ได้สั่งสมนี่นะเพราะฉะนั้นอย่งว่าการงานภายนอกกับการงาน หายในได้แก่งานสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนี่มันเกี่ยวพันกันมาไม่ใช่ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันก็อย่างที่ว่ามา น, นั่นแหละคนยากคนจนคนอนาถานะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญกุศลอะไรเลยอลองสังเกตดู <c oughs> ผู้ใดมีโอกาสได้ทำบุญให้ทานก็ดีได้รักษาสินห้ากรรมบท1สิบหรือว่าได้รักษาสินอุโบสถก็ดีหมนนี้ได้เข้าวัดได้ฟังธรรมได้ธนุบำรุงวัดวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรือ ง, งมาได้หมนี้ล้วนแต่เป็นคนมีบุญที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนบุญนั้นติดตามมาตกแต่ง ให้เกิดมาในตระกูลที่มีหลักมีแหล่งเกิดมาแล้วก็มีสติมีปัญญาสามารถแสวงหาเงินทองเข้าของได้เออก็ถึงได้มาสั่งสมบุญกุศลได้มาอุปถัมภารุงรพระพุทธศาสานานี่ให้เจริญ ร, รุ่งเรืองสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าโน้นมา โดยลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ <c oughs> นี่แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีอัตภาพร่างกายอันนี้ที่เราได้มาได้มาด้วยบุญกุศลคนมีปัญญาก็รู้จักใช้ร่างกายนี้สั่งสมบุญกุศลบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นให้เต็มความสามารถ ก่อนที่ร่างกายนี้มันจะแตกดับทำลายไปอาศัยร่างกายนี่แหละปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยอาศัยร่างกายนี่ทำบุญให้ทานอาศัยร่างกายนี่รักษาศีลสมทนสันศีลแล้วก็พยายามสํารวมกายสํารวมวาจาให้บริสุทธ ไม่ล่วงข้อสินที่ตนสมทานแล้วผู้ใดสมทานสินประเภทใดก็สำรวมสินประเภทนั้นให้บริสุทธิ์ด้วยดีอาศัายจิตใจที่ได้มาอาศัยร่างกายอันนี้อา้านั่งสมาธิภาวนาเจริญพระกรรมฐานนี่ จเจริญสมถะทมใจให้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปจเจริญวิปปัตนาอบคิดนึกตรึกตองเหตุผลของชีวิตแต่เห็นแจ้งามเป็นจริงดังกล่าวมานั่นแหละปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันเห็นแจ้งในร่างกายตามเป็นจริงแล้วมันก็ละตัณหาความทะเยอทยานอยาก อยากมีอยากเป็นอยากเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่างๆนี่ตัณหาประเภทนี้มันก็น้อยเบาบางไปเรื่อยๆอันนี้แหละท่านเรียกว่าอาศัยมรรคปฏิปทาคือข้อปฏิบัติได้แก่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นลงมือประพฤติปฏิบัติตาม ไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ทำให้จิตใจนี่ตั้งมั่นหนักแน่นแล้วเฉริยวฉราดวันนี้นะสามารถรู้จักเขเฉ่งทุกข์คือตัณหาได้เห็นโทษแห่งตัณหาละเอียดเข้าไปโดยลำดับเอาละตัณหาอันมันจะพายไปทำบาปก ร, รมต่างๆ บาป ก, กรรมมันจะนำไปสู่ทุกในอกบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นก็ละได้มาแล้วด้วยปัญญาเมื่อนี้ยังตัณหาส่วนกลางทันทีทัทนเรีกวาภาวะตัณหาตัณหาที่พาไปเกิดพพน้อยพบใหญ่ต่างๆนี้เลยแล้วก็มาเพงเขียนไว้ยามละตัณหาประเภทนี้ ก็โดยอาศัยการพิจารณาธาตุสี่ขันห้านี้แหละเจริญสมถะทําธรรใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปแล้ววันนี้ก็ออาวมาเพ่งพิจารณารูปกายต่างๆดังที่ชี้แจงมาแล้วแต่บเบื้องต้นนั่นแหละเมื่อพิจารณาส่วนรูปให้เห็นตามเป็นจริงดังกล่าวมานั่นนะั่นแหละมาพิจารณาส่วนนามธรรมา คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันก็สำคัญเหมือนกันเลยถ้าพูดใดไไม่มาพิจารณาแล้วก็เป็นนั้นว่าหลงแหละจิตใจนี่หลงว่วงอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเวทนาคือความสุขความทุกข์ความไม่ทุกข์ไม่สุขอันมันเกิดขึ้นในกายในจิตนี้เมื่อไม่พี่นายเห็นแจ้ง จิตนี้มันก็วันไหวไปมาถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็ยินดีเพลิดเพลินถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็เสียใจเศร้าโศกอืมอย่างนี้แหละดังนั้นจิตใจนี้มันจึงตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยบะนีอมเมื่อเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาอยู่เนี่ย มันก็เป็นตัญหาไปอีกแหละวันี้นะครับเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาในกายในจิตนี่กดดิ้นทำอย่างไรหนอถึงจะมีความสุขถ้าผู้มีความเห็นผิดมันก็ดิ้นไปหาหมอดูหมอเดาต่างๆหมอดูก็ชักจูงให้ทำกิจกรรมอัน ไม่เป็นทางพ้นทุกนั่นแหละวันนี้ไปฆ่าตัดตัดชีวิตบวงสวงผีสางเทวดาอะไรต่ออะไรไปเนะ่ยลัทธิเหล่านี้มันมีอยู่ประจำโลกแต่ไห น, ตไหนแต่ะไรมาเป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้าหากว่ยาจิตใจนี่มันฉลาดมันมีปัญญาและอย่างนี้นะมันเห็นแจ้งตามคำสอนของพระตัวเจ้าว่าอัตภาพร่างกายนี่ มันได้มาด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลทําเอามากรรมดีกรรมชั่วนั้นติดตามมาตกแต่งให้ไม่ใช่เทวดาอินพรหมที่ไหนมาแต่งให้เลยร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องไปอ้อนวอนต่อสิ่งต่างๆที่โลกเขาสมมติว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรหมูนั้น่ะให้มาช่วยเหลือตนให้พ้นทุกข์พ้นภัยไม่ไม่ใช่หรอกไม่ถูกทาง ไม่เป็นทางพ้นทุกไปได้ก็ต้องมามองดูถ้าว่าตนได้ประสบความทุกข์ไม่สามารถจะแก้ได้เช่นทุกข์ในร่างกายอย่างนี้นะโรคภัยเบียดเบียนรักษาอย่างไรก็ไม่หายอย่างนี้ก็ต้องนึกว่าเป็นกรรมเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาก็ไม่ต้องเดือดร้อนมันนะก็ต้องอดทนสู้ผลแห่งกรรมเวรนั้นไป แล้วก็กรคำเวนมาตกแต่งก็ตกแต่งขันห้าอันนี้เมื่อขันห้านี่เห็นแจ้งแล้วว่าไม่ใช่ของเราเราจะไปเดือดร้อนกับมันทําไมก็ให้กรคำวิบา ก, กมันสนองไปสักมันจะบีบขั้นอย่างไรมันจะทําอย่างไรก็แล้วแต่มันอะไรอย่างนี้นะเราก็ปรงให้มันลงไปอย่างนี้แหละปรงให้ตกอย่างนี้เมื่อปรงลงได้อย่างนี้แล้ว ถึงแม้จะมีกรร ม, มวิบากแต่ก่อนติดตามมาสนองเอามันจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์แบบนี้นะรู้เท่านี้รู้เท่าว่าขันธ์หน้านี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นเรื่องของกรร ม, มวิบากมันมาแต่งให้ทั้งหากท่ามเป็นของเราก็บังคับได้สิปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จิตมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้รมันก็ลงมันก็วางลงได้ อันนี้แหละมันก็ดับทุกทางใจได้กว่านี้นะทุกทางใจมันก็ดับลงใจมันก็ไม่ดิ้นลนกระวนกระวายแล้วอันนี้มองเห็นด้วยปัญญาแล้วนี่การท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใจนี่มันก็เป็นทุกเหมือนอย่างปัจจุบันนี่แหละการที่มาเกิด มาในโลกนี้ได้มีรูปมีนามมันนี่มาแล้วมันก็มาบำรุงปลนเปืมันอยู่เนี่ยหาอาหารมาหล่อเลี้ยงมันหาผ้านุ่งผ้าห่มมาปกปิดมานุ่งมาห่มหาเงินหน้าทองมาสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้มันหาเงินหน้าทองมาเจ็บไข้ได้ป่วยจ้างหมอรักษาเยียวยาเมือนี้นะความเกิดเป็นทุกข์เมัน เพราะมันไม่เที่ยงมันต้องได้บำรุงรักษาปนเปออื้อยอยู่เนี่ยนี่ปัญญามันพิจรารณาเห็นอย่างนี้มันก็เบื่อในในน้ำในรูปอันเนี้ยเ อ, อเมื่อเบื่อในมันก็คลายความยึดความถือว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลงไปนี่มันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นในขันห่านี่ด้วยความยินดีด้วยความยินร้าย เมื่อเมื่อมันคลายความยึดถือลงแล้วนี่เมื่อขันห้ามันเป็นปกติมีกําลังเรี่ยวแรงดีกินได้นอนหลับอะไรมันก็ไม่เพิดเพลินหมายความว่าอย่างนั้นไม่มัวเมาเมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปรปรวนลงโลครคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนเอา ก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่กลัวตายเพราะไม่มีใครตายมีขันห้ามันกําลังจะแตกจะดับอยู่เท่านั้นเองไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตาย <c oughs> <c oughs> ก็ปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะจิตมันก็เห็นแจ้งตามปัญญาเลยเออเป็นความจริงนะไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายจริงจริงนะ ก็เป็นก็เป็นความจริงนี้เพราะว่าเมื่อร่างกายนี่มันแตกสลายลงไปแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไปธาตุลมไปตามเดิมของมันนั่นนะมันจะมีคนมีสัตว์อยู่ที่ไหนนั้นแม้ดวงจิตที่ก็ไม่ใช่ของเราอย่าว่าแต่ร่างกายเลยจิตที่มันรับรู้ รู้สุขรู้ทุกรู้ดีรู้ชั่วอะไรต่ออะไรนี่ตลอดถึงรู้แจ้งในสัจธรรมของจริงดังกล่าวมานี่ก็ไม่ใช่ตัวตนีเหมือนกันในดวงจิตนี่นะนี่ต้องย้อนเข้ามาดูดวงจิตนี้ให้มันดีเมื่อมันมาเห็นแจ้งว่าดวงจิตนี่ไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็สิ้นสุดกันลงตรงนี้แล้ววันนี้นะ ไม่มีใครยึดถืออะไรเลยวันนี้ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ดีพระอราหันต์ทั้งหลายก็ดีก็่ว่าท่านมารู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนเราเขาอะอย่างนี้เราก็ปล่อยวางตามสภาพเลยไม่ยึดบั่นถือมันอะไรต่ออะไรอะเหตุนั้นท่านจึง พ้นทุกข์พ้นภัยในวัตฏสงสารบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ตามความมุ่งหมายที่สร้างบุญบา ร, รมีมาโดยลำดับก่อนับว่าสิ้นสุดลงดังแสดงมาแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจจะได้บอกอกไว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 อนุสาสนีปฏิหารนี่ก็เป็นปฏิหารที่มีประโยชน์มากกว่าปฏิหารอื่นๆเช่นหอะเฮินเดินอากาศได้ดำดินได้พอดีหรือนิรดมิตคนคนเดียวให้เป็นหลายคนก็ดีเมืนี้ก็ยังสู้การแนะนำสั่งสอนบ่อยๆไม่ได้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 เนนี้นะมันก็จิตใจมันก็ค่อยเป็นไปมันก็ค่อยโน้มไปในธรรมมันก็ห่างไกลจากโลกเพราะว่าได้ยินได้ฟังแต่เรื่องธรรมะเรื่องของโลกไม่สนไม่เอามาพูดกันเพราะเราประพฤติปฏิบัติธรรม มันก็ต้องพอใจในธรรมนี่มันจึงถูกต้องเแื่ ก, การมารพฤติปฏิบัติธรรมแต่จิตใจพอใจไปในทางโลกโนู่นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องมันไม่สมน้ำสมเนื้อกันดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมก็ต้องทำความพอใจในธรรมะคําสั่งสอนของพุตรเจ้านี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ต้องการอยากรู้อยากเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอไปแหละเหมือนอย่างพระลาหุนจะครั้งเมื่อเป็นสามเณรอยู่ปกติของพระลาหุนนะพอใจศึกษาสดับตรับฟังพระธรรมคำสอนจากอกระชาอาจารย์ เสมอเสมอตื่นนอนมาแล้วก็จะกำสายหวานขึ้นสู่ท้องฟ้าอธิษฐานขอให้พระเจ้าได้ฟังโอวาทจากอุกชาอาจารย์ให้มากเท่ากับเม็ดทรายที่ซั์ขึ้นไปบนอากาศนี่ท่านอธิษฐานใจอย่างนั้นเสมอเสมอจนวเมื่อท่านได้ บวชเป็นพระได้บรรลุมรคนธรรมวิเศษแล้วภาษาสดาก็ได้ทรงยกย่องว่าเป็นเอตตะคะทางไฟต่อการศึกษาเราเรียนการสัตดับระฟังไปใจมากกลัวสาวกอื่นอื่นอันนี้แหละนับว่าอนุษาสนีปฏิหารนี่มันย่อม เหมาะสมแก่ทุกคนทุกหมู่เหล่าส่วนอิทธิปฏิหารอื่นๆนั่นมันเหมาะสมแต่คนบางพวกบางเหล่าเท่านั้นไม่ทั่วไปส่วนอนุษาสนีปฏิหารนี้ย่อมเหมาะสมแก่คนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนานี้ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆ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 ในทางปฏิบัติมันก็เป็นไปไม่ได้ก็จะน้อม อ, อธรรมะนั้นไปประดับจิตใจของตนก็ไม่ได้เป็นเนฉะนั้นไอธรรมะแต่ละข้อมันก็มีความหมายอยู่เันพูดถึงความเพียรอย่างนี้นะ พระองค์เจ้าสอนให้เพียรอย่างไรบ้างสําหรับผู้ที่ได้เรียนได้ท่องจําหลักสูตรมาแล้วก็ก็จะคิดได้ทันทีก่อนน้อมเข้าไปพิจรารณาเพียรให้ละบาปเพียรให้บําเพ็ญบุญอให้เกิดให้มีขึ้นในตนหรือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานตรงนี้แล้ว เมื่อบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามรักษาบุญกุศลนั่นไว้อย่าให้เสื่อมนี่จึงเรียกว่าผู้มีความเพียร น, นี่ความเพียร น, นี่ก็ต้องกระทำบำเพ็ญให้ครบวงจรมันก็จึงได้ผลถ้าหากว่าผู้เรียนผู้จำเรื่องของความเพียรได้แล้วเอามาวินิจฉัยดูอย่างนี้มันก็รู้ จากแนวทางปฏิบัติแล้ววันนี้เมื่อตนละความชั่วออกไปแล้วก็ต้องรีบทำความดีเข้าใส่จิตใจไว้มิฉะนั้นความชั่วมันก็จะวกกลับมาอีกอก็รู้จักความหมายแล้ววันนี้ในความเพียรนั่นอย่างนี้เลยเช่นยกตัวอย่างว่าเมื่อตนละความโกรธไปแล้ว อธิษฐานใจแล้วว่าต่อนี้ไปเราจะไม่โกรธใครอย่างนี้แล้วก็ต่อจากนั้นก็เจริญเมตตาเลยไปให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่อสัรพสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดเลยเป็นบุคคลที่น่ารักไม่ใช่บุคคลที่น่าชังเพราะว่า ต่างคนต่างเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขเหมือนกันหมดต่างคนก็เกลียดต่อความทุกข์เมื่อดำลิตรีตองอย่างนี้บ่อยๆเข้าไอ้ความโรกรธเกลียดชังต่างๆที่เคยเป็นมาแต่ก่อนมันก็เบาบางไปเพราะมันเห็นเด้นี่ยมันมองเห็นเนี่ยมนุษยชาติของเราีนแม่จัดชั่วหรือดีแต่มันก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน ต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์เหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะนีนะ่เมื่อมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วความรักความเอ็นดูในหมู่มนุษย์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละเแม้ว่าบุคคลผู้ใดที่เคยเป็นศัตรูตนมานั้นมันก็จิตใจมันก็ให้อภัยมันก็เกิดความเอ็นดูกันขึ้นมาแทนที่จะนั่งเกลียดกัน ไม่เอาแล้วเพราะเมื่อจิตอย่างลงสูเมตตาทำแล้วมันก็เกิดความเอ็นดูสงสารกันขึ้นมาหาหนทางตองรองสามัคคีกันไปถ้าใครยังไม่ยอมตองรองก็วางอุเบกขาลงเราก็ไม่ยินดียินร้ายนั่นกรรมของเขากิเลส ข, ของเขา ก, ก็เป็นเรื่องของเขาไปเรื่องของเราเราต้องวางอุเบกขาลง